เมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะออกจาริกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆท่านได้พบเห็นสถานที่ต่างๆและผู้คนมากมายต่างกันไปพระเรวตะได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งลูกบ้านมาเล่าให้ฟังว่านายบ้านแห่งนี้มีความเห็นแก่ตัวจัดเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทัพย์ การกระทําของเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกบ้านอย่างหนักต่อมาวันหนึ่งพระเรวตะได้หาอุบายโปรโดนายบ้านจนมีดวงตาเห็นธรรมจากนั้นนายบ้านก็ได้ประกาศยกหนี้สินของลูกบ้านทั้งหมดสร้างความยินดีให้ลูกบ้านอย่างใหญ่หลวงพระเรวตะเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาลาพบชายชาลาลิงแพะผู้หนึ่ง จากนั้นก็สนทนาธรรมกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้ในอด น, นี้ค่ะดูก่อนสมณะท่านมาจากไหนและจะไปไหนหรือ เขาถามพลางยกชายผ้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันดำคร่ำและเป็นรอยย่นเพราะความชราอัตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชคฤึอ๋อมาจากสาวัตถีหรือเขาอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังแสดงความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลมากเข้าไปเจ้าเองยังไม่เคยไปสาวัตถีเลยแต่ได้ทราบว่าอยู่ไกลมาก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 อาตมาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะให้เขาปร้นสะดมมีแต่บาทและกิวอนเท่านั้นถ้าเขาต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะให้อาตมาไม่กลัวสัตว์ ร, ร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ ร, ร้ายเหล่านั้นแย่งคริงมีแต่ศรีรษะร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ ร, ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะสละให้เหมือนกันคำตอบของข้าพเจ้า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 ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเลยสิอัตมาไม่เคยกลัวความตายเพราะอะไรล่ะท่านสมณะชายแก่ถามพรางขายับเข้าใกล้ข้าพเจ้าเข้ามาอีกเพราะอัตมาคุ้นเคยกับความตายเสียแล้วหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งจนเคยเสียแล้วอย่างนั้นลาไม่ได้ในชีวิตนี้อัตมายังไม่เคยตาย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 จะทําให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าท่านทําบ่อยๆจนคุ้นเคยกับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญเสียแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอัตมาขอถามหน่อยเถิดว่าเมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวใครบ้างไหมชายแก่นั่งคิดทบทวนความจําอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเคยเหมือนกันข้าพเจ้าเคยกลัวชายแก่คนหนึ่ง ซึ่งมีท่าทางหน้าตาน่ากลัวมากเขาชอบพูดจาหยอกล้อให้เด็กกลัวเสียด้วยข้าพเจ้าจึงเรียกว่าลุงเพราะเป็นญาติทางฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันเวลาข้าพเจ้าร้องไห้มารดามักเคีขูว่าลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในระหว่างเวลานั้นท่านกล้าไปมาหาสู่ ลุงของท่านไหมไม่กล้าลอกท่านสมณะเพียงแต่แค่ได้ยินเสียงเขาเข้าพเจ้าก็วิ่งหนีเสียแล้วจะกล้าไปเผชิญหน้าเขาได้อย่างไรแล้วท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาหรือภายหลังก็หายกลัวอา้าวภายหลังความกลัวก็หายไปแต่กว่าจะหายกลัวก็กินเวลาหลายปีทีเดียวละท่านพอจะระลึกออกได้ไหมว่าเพราะเหตุใดท่านจึงหายกลัวเขา เอท่านสมณะนี่จะมาสืบสวนเรื่องราวในอดีตของข้าพเจ้าทําไมนะชายแก่ถามพลางทําคิ้วขมวดอย่างไม่พอใจข้าพเจ้ากรอบเขาด้วยอาการยิ้มแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าอัตมาไม่มีเจตนาที่จะไล่เลียนชีวิตประวัติของท่านเล่นๆดอกบาสกอัตมาต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเองว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆ ทำให้ไม่กลัวตายอย่างไรถ้าท่านบอกกับอาตมาได้ว่าทําไมจึงหายหวาดกลัวฉะนั้นถ้าท่านพอระลึกได้ก็โปรดบอกอาตมาด้วยว่าเพราะเหตุไรภายหลังท่านจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวลุงของท่านเท่าที่จําได้ก็ดูเหมือนเป็นเพราะเหตุนี้คือคราวหนึ่งลุงของข้าพเจ้าล้มป่วยลงมารดาจึงได้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านที่แรกๆ ก, ก็ยังกลัวอยู่ ไปหลังจากไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ไม่ได้นึกกลัวเลยดูก่อนภูบาสกความตายเปรียบเสมือนลุงของท่านเมื่อยังเด็กท่านกลัวลุงเช่นใดคนทั้งปวงก็กลัวต่อความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงแต่ได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าและลึกถึงความตาย เพียงแต่ได้ยินคําว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาดสะดุ้งเสียแล้วต่อภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุงเพราะไปมาหาสู่บ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยฉันใดคนเราถ้ามันระลึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายฉันนั้นชายแก่มองดูข้าพเจ้าอย่างยิ้มยิ้มแล้วกล่าวชมเชยว่า ท่านฉลาดพูดเปรียบเทียบน่าฟังมากข้าพเจ้าเชื่อท่านและจะพยายามลองดูเขาหันไปมองดูฝูงแพะที่กำลังนอนสงบอยู่ใต้ต้นไม้ครูหนึ่งและก็หันกลับมาสนทนากับข้าพเจ้าต่อไปแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าการร ะ, ะลึกถึงความตายนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพเจ้าเองเคยระลึกถึงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกัน แต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายมันทำให้ใจเศร้าเกิดความท้อถอยหมดอะไรตายอยากในสิ่งทั้งปวงอยากจะนอนคอยวันตายอย่างเดียวเลยไม่อยากคิดถืงมันสู้หรือ ม, มันเสียปล่อยให้ชีวิตสนุกสนานเลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้จะ ต, ตายเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันคิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นบ้าง ดูก่อนอุบาสกสมมติว่าชายคนหนึ่งกําลังพายเรือที่พลุลไปได้วยรูข้ามแม่น้ําใหญ่ขณะที่พายเรือไปเขาก็มองเห็นว่าน้ํากําลังไหลพุ่งเข้าสู่ลาเรือตามรอยรวเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ําแน่เมื่อคิดว่าเรือกําลังจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิตเพราะไม่มีทางที่จะอาศัยเรือไปสู่ฝั่งโน้นได้ จึงไม่คิดถึงการจมของเรือยืนร้องลำทำเพลงอย่างสนุกสนานไปในเรือจนกระทั่งเรือได้จมลงไปแล้วเขาก็จมน้ำตายท่านเห็นว่าชายคนนี้ฉลาดตื้อโง่โอ้โง่ยังไม่มีปัญหาเลยทีเดียวชายแก่ตอบยืนยันอย่างหนักแน่นเพราะเหตุไรล่ะข้าพเจ้าถามก็เพราะรู้อยู่ว่าต้นกำลังพายเรือลัว่วจะต้องจมกลางม่น้า แล้วยังว okay. ัวประมาทร้องรำทำเพลงอยู่ได้จมน้ำตายเสียก็สมน้ําหน้าแล้วเมื่อเห็นแกเปิดช่องให้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ลุกตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โง่ด้วยเอ้าข้าพเจ้าจะโง่ได้อย่างไรล่ะเขาถามขึ้นด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจอาตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านโง่อย่างไรร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเรือรั่ว โอเคส่งสารที่ท่านต้องเวียนไหวาตายเกิดต่อไปเปรียบเสมือนแม่น้ําใหญ่ฝั่งข้างโน้นก็เปรียบเสมือนพระนิพพานท่านกําลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามโอเคสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานแต่เรือที่สังขารร่างกายของท่านกําลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็น ท, ทั้งทั้งที่เรือจวนจะล่ม ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่า จะ like ต้องจมน้ําตายท่านยังมัวประมาทฟ้อนําทําเพลงอยู่จะไม่โง่ได้อย่างไรเล่าเขาใหเจ้าหยุดสังเกตท่าทีของชายแก่คู่หนึ่งเมื่อเห็นเขาอย่างนิ่งจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกถ้าเป father, ็นอัตมาอัตมาจะไม่ทําอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าตนจะต้องพายเรือล้วข้ามในน้าใหญ่ไม่ถึงฝั่งแน่อัตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างใด ทั้งจะให้ร้อนําทําเพลงเพื่อหลอกหรือบํารุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือจะล่มแต่จะรีบจะเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ไว้ในเรือไว้ให้มากๆขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงๆอาตมาจะรีบคว้าเครื่องชูชีพมาแนบไว้กับตัวแล้วอาศัยไหวต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทําอย่างนี้ท่านเห็นว่า เป็นการกระทำที่ฉลาดหรือโม่ฉลาดมากฉลาดมากชายแก่ตอบพลางยิ้มอย่างพอใจแล้วก็กล่าวทบทวนเรื่องราวเปรียบเทียบของข้าพเจ้าเบาเๆอ๋อสรีระร่างกายเปรียบเสมือนเรือลู่ว่าตาสงสารเปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ฝั่งโน้นเปรียบเหมือนแดนเกษมคือพระนิพพานแล้วเครื่องชูชีพเล่าท่านสมณะจะเปรียบกับอะไรล่ เครื่องชูชีพก็เปรียบเสมือนกุศลเพราะเมื่อตายไปแล้วท่านจะนําทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สริระร่างกายก็ถูกฝังหรือทิ้งทรัพย์สมบัติก็ดีศสริระร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราได้มาจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนําไปสู่ปรโลกได้ก็คือบุญกุศลท่านจะได้กุศล น, นี้แหละเป็นเครื่องชูชีพ ว่าข้ามพบข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพพานดูก่อนอุบาสกท่านเราได้ทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างหรือไม่ mm hmm. ก็ไม่ค่อยได้ทำเลยละท่านสมณนะชายแก่ตอบอย่างเศร้าๆ mm hmm. ข้าพเจ้ามัวแต่เป็นกังวลอยู่กับบุตรภรยาบ้างไร่นาบ้างแพะบ้างการงานในบ้านบ้างจนไม่มีเวลาว่างพอที่จะทาบุญเลยถ้าอย่างนั้น ก็น่าสงสารมากท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ของแพะบ้างของไรนาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมรณะภัยมาถึงเมื่อเรือคือศีรษะของท่านจมลงสู่วังวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยท่านจะต้องไปเผชิญกับความมืดมิดภายหลังความตายแต่เดียวดายเมื่อนั้นนั่นแหละท่านจึงจะเห็นคุณค่าของการช่วยตัวเอง ถ้าท่านไม่ทําบุญกุศลไว้ท่านจะไปอย่างยากจนขัดสนไม่มีสเสบียงอาหารหรืออาวุธใดๆติดตัวไปด้วยท่านจะต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยและความลำบากแสนสาหัสดุดบุคคลที่ไม่มีชูชีพเมื่อเรือล่มแล้วก็ต้องลอยคออยู่ในท้องทะเลหลวงอันเกลื่อกล่นไปด้วยฉลามร้ายและปั่นป่วนด้วยพายุฉะนั้นสังเกตดูชายชลา หน้าเศร้าส้อยลงไปกว่าเดิมเขาคงคิดเสียใจในความประมาทมัวเมาที่แล้วแล้วมาของตนข้าพเจ้าจึงปลอบว่าอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จ ะ, สะแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลไว้ตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทำบุญกุศลโดยการให้ทานแก่สมณะพราหมณ์และคนยากจนบ้างรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ อยู่เสมอพยายามอดกลั้นกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวนั้นบ้างสรุปโดยย่อก็คือจงคิดดีพูดดีทำดีทุกเมื่อและทุกสถานที่ความดีนี่แหละคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่สุคติภพภายหลังเหลือจมฉะนั้นจงอย่าประมาท ข้าพเจ้าเทศสั่งสอนชายแก่จนพระอาทิตย์จวบจะรับแนวไม้จึงอำลาเขาออกเดินทางข้ามแม่น้ำานรัญชาต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุขณะที่เดินทางใกล้กรุงลาชเจริญเข้าไปข้าพเจ้าสังเกตว่าผู้มีประเทศเป็นทุ่งนามากกว่าป่าพื้นดินรู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะต้นข้าวในนาบางแห่งที่ชาวนาเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จปรากฏว่างามมากกอใหญ่รวงดกและเม็ดโตวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางผ่านหมู่บ้านใหญ่หลายแห่งแสดงว่า แถบนี้มีคนอยู่หนานแน่นตามท้องนามีชาวนาเก็บเกี่ยวกันอยู่เป็นหมู่ๆบางหมู่ก็สนทนากันหยอกล้อกันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานบางหมู่ก็มีการร้องเพลงขับโต้กันระหว่างชายกับหญิงดูน่าสนุกสนานคิดดูก็น่าแปลกที่พวกเขาทํางานกันอยู่ท่ามกลางแดดอันร้อนมีเหงื่อไหลโซมตัวยังยิ้มแยม้มร่าเริงอยู่ได้ ตรงกันข้ามกับเศรษฐีที่ยูนบนปราสาทเจ็ดชั้นในมหานครศสียอีกยังรู้สึกกัดกรุ่มกระวนกระวายใจไม่ได้สา่งทาให้เกิดความสงสัยว่าใครเป็นสุขกันแน่คิดไปคิดมาก็พอจะมองเห็นคำตอบว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจชาวนาที่ทำนาอาบเหงื่อตังน้ำถ้าพอใจในภาวะของชาวนาเขาก็เป็นสุข แม้จะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินอยู่เจ็สิบกฎในปราสาทแต่ถ้ายังไม่พอใจในภาวะเช่นนั้นยังกระเสือกกระสนดิ่มรนเพื่อภาวะอย่างอื่นอยู่อีกก็หามีความสุขสบายใจไม่ฉะนั้นจะเอาทรัพย์ภายนอกตป็นเครื่องวัดความสุขของคนหาได้ไม่เดินต่อไปอีกไม่นานข้าไปเก้าก็มองเห็นทิวเขาสีน้ำเงินแก่ตั้งขวางอยู่ทางทิศตวนออก นั่นคือเครื่องหมายแห่งมหานครราชศร์ราชธานีแห่งแคว้นมคตของราชาพิมพิสารนครราชศร์มีนามอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีนครเพราะมีภูเขาห้าลูกคือเวภาระเวปุร ะ, ระคิจกูดอิศิคิริและโสณนะตั้งเรียงรายกันอยู่รอบเมืองเป็นกำแพงธรรมชาติอันมั่นคงที่หมู่ปัจมิตร ไม่หานเข้าโจมตีเข้าไปเจ้านั่งลงใต้ร่มต้นว่าใหญ่แล้วมองข้ามทะเลข้าวที่กําลังสุกเหลืองอลามไปเพ่งมองดูกําแพงยักษ์แห่งกลุ่มราชครืด้วยความดีใจพอรู้ว่าตนเดินทางมาจนจะถึงจุดหมายปลายทางขั้นหนึ่งแล้วขณะที่นั่งสบายอารมณ์อยู่นั่นเองก็มีชายแก่คนหนึ่งสะพายถุงเดินผ่านมา เมื่อเหลือบเห็นข้าพเจ้านั่งอยู่ใต้ร่มไม้ข้างทางเขาก็แวะมานั่งพักด้วยแล้วก็วางถุงลงกับพื้นแล้วเขาก็เริ่มถามข้าพเจ้าถึงที่มาที่ไปตามธรรมเนียมเขาแนะนําตัวเองว่าเป็นหมอเที่ยวรักษาพยาบาลคนต่างนิคมต่างๆแล้วก็บรรยายถึงความสามารถในการรักษาคนป่วยของเขาให้ข้าพเจ้าฟังเป็นการใหญ่ในขณะที่ยกตัวเองว่าเลิศรอย เขาก็ตำหนิหมออื่นๆอย่างหนักด้วยเขาพูดคล้ายกับว่าในโลกนี้เขาดีกว่าใครๆหมดฉลาดรอบรู้ไปเสียทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้จากการคุยโอ้อวดตัวของเขาเองข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าชายแก่คนนั้นกำลังถูกทิฐิมานะครอบงำกำลังหลงวิชาจนเข้าใจว่าตนเป็นผู้วิเศษคนเดียวในโลกข้าพเจ้าคิดว่า ถ้ามิปราบให้ชายคนนี้สิ้นพยศหน้าที่การสั่งสอนคนของข้าพเจ้าต้องบกพ่องแน่ข้าพเจ้าจึงดำเนินนโยบายแก้ทิฐิมานะของเขาโดยเริ่มสนทนากับเขาว่าดูก่อนอุบาสกอาตมากเกิดมาในโลกนี้ก็หลายปีแล้วทั้งได้เดินทางท่องเที่ยวมาเกือบจบด้าวแดนมัธยมประเทศแต่ยังไม่เคยพบเห็นหมอคนใดมีความรู้ความสามารถ เหมือนอย่างท่านเลยท่านเป็นหมอผู้สามารถที่สุดเท่าที่อาตมาเห็นมาชายแก่ยิ้มอย่างอิ่มเอมใจแล้วกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าถูกแล้วล่ะท่านสมณะถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วไม่มียาขนานใดที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้จักไม่มีโรคชนิดใดที่ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้นี่พูดกันตามความจริงนะไม่ใช่คุยอวดตัวอาตมาเชื่อท่าน ข้าพเจ้าแกล้งเสริมเข้าต่อไปนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของอาตมาทีเดียวที่ได้มาพบท่านเพราะอาตมามีญาติอยู่คนหนึ่งในกลุ่มราจักลื้อกลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งอยากจะพาท่านไปตรวจดูสมุดฐานและประกอบยารักษาให้ด้วยถ้าท่านรักษาหายได้อาตมาจะให้รางวัลอย่างงามที่สุดไว้ใจข้าพเจ้าเถิะท่านสมณนะใช่แก่ก่าวพลาง เพราะยางเชื่อมั่นในตัวเองเ ข, าาข้าพเจ้ายินดีจะช่วยรักษาคนป่วยรายนี้โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดโปรดบอกอาการป่วยของเขามาข้าพเจ้าจะค้นหาสมุนไพรประกอบยาให้เดี๋ยวนี้เมื่อได้หลอกให้หมอยาวิเศษ ตกหลุมพลางแล้วข้าพเจ้าก็ปล่อยมัดเด็ดทันทีอาการป่วยของเขาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเขาแข็งแรงดีอย่างอัตมาแต่ภายหลังได้กลับกลายเป็นคนอ่อนแอน่าสงสารเนื้อหนังที่เคยเต่งตึงกลับหย่อนยานไปทั่วรัศพางกายผมที่เคยดำสนิทกลับกลายเป็นสีขาวดุดสําดีดวงตาที่เคยแจ่มใสกลับขุ่นมัวมองไม่เห็น หูที่เคยได้ยินเสียงชัดเจนกลับกลายเป็นหนวกตึงฟังไม่ได้สับฟันที่เคยขาวเต็มเงือกกลับหลุดหายไปทีละซี่สองซี่จนหมดสิน้นหลังที่เคยตรงเป็นสง่ากลับอ่อนค้อมน้อมค้อมไปข้างหน้าต้องใช้ไม้ค้ำเวลาเดินสติสตังที่เคยดีก็กลับเป็นฟั่นเฟือนเลือนหลงคนทั้งหลายกล่าวกันว่าเป็น โรคชลาเวลานี้มีอาการหนักเต็มที่แล้วขอท่านโปรดรักษาให้หายเป็นปกติตามเดิมด้วยเถิดพอข้าพเจ้ากล่าวจบหมอวิเศษก็ระเบิดหัวเราะออกมาดังกล้องทุ่งลาแล้วกล่าวว่าโอ้โรคอย่างนี้เขาไม่รักษากระดกท่านสมณนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารไม่รักษาโรคอย่างนี้จะไปรักษาโรคอะไรกันเล่าข้าพเจ้าซัก ก็รักษาโรคอื่นๆเช่นโรคปวดหัวปวดท้องปวดฟันเป็นต้นเหล่านั้นมันเป็นโรคเล็กๆน้อยๆใขรก็รักษาได้แต่โรคชลานี้เป็นโรคร้ายแรงที่สุดที่คนเป็นกันทั่วโลกหมออื่นๆไม่รักษาเพราะเขาไม่เก่งเหมือนท่านท่านเก่งกว่าหมอทั้งหมดท่านควรจะรักษาได้ถ้าท่านรักษาโรคนี้หายท่านจะเป็นหมอที่ร่ำรวยที่สุดในโลกว่าอย่างไร ท่านจะรับรักษาไหมข้าพเจ้ารักษาไม่ได้หรอกหมอวิเศษกล่าวด้วยเสียงอ่อนลงไปถนัดถ้าท่านรักษาโรคนี้ให้หายไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ดีวิเศษไปกว่าหมอทั้งหลายการที่ท่านคุยอวดว่าท่านเป็นหมอที่เก่งกล้าสามารถกว่าหมอทั้งหมดก็เป็นการคุยเกินความจริงเพราะอำนาจทิฏฐิมนะเท่านั้นเองละสิหมอวิเศษนั่งก้มหน้านิ่งด้วยความขุยอายไม่โต้อตอบข้าพเจ้า ว, ว่าอะไร เอามือทั้งสองถูกันไปถูกันมาอยู่ดูก่อนอุบาสกขับเจ้าถือโอกาสสั่งสอนต่อไปโรคร้ายแรงที่บั่นทอนความสุขของมนุษย์มีอยู่สามประการคือโรคแก่โรคเจ็บโรคตายโรคแก่และโรคตายท่านรักษาให้หายไม่ได้และไม่มีหมอสามัญคนใดรักษาให้หายได้รักษาได้บ้างแต่โรคเจ็บอย่างเดียวเท่านั้น บางอย่างท่านก็รักษาไม่ได้เป็นการสมควรแล้วลึกที่ท่านจะเข้าใจว่าตนเองเป็นหมอวิเศษที่สุดในโลกดูก่อนเวชาการในโลกนี้มีศิลปศาสตร์มากมายเท่าที่มนุษย์ค้นพบและศึกษากันอยู่ในชมพูทวีปมีถึง18ประการเวชศาสตร์ของท่านเป็นเพียงหนึ่งใน18เท่านั้นแม้เวชศาสตร์อย่างเดียวก็มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาล เกินกว่าจะศึกษาให้เกียงจบเสียแล้วจะกล่าวใหญ่ไปถึงศาสตร์อื่นๆไม่มีใครสามารถศึกษาจนรอบรู้ศิลปศาสตร์ทั้งปวงได้เพราะจะต้องใช้เวลานับพันๆปีแต่อายุของมนุษย์มีกมําหนดอย่างนานก็เพียงร้อยปีเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะศึกษาให้เกียงจบในาศาสตร์ทั้งปวงได้เวทกาลเอ้ยส ร, รัพสินทั้งปวงในส า, นากลจักรวาล มีประเภทนับจํานวนแสนแต่ท่านรู้เรื่องเวชศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นความรู้สึกของท่านจึงเป็นเพียงหนึ่งในแสนเท่านั้นช่างเป็นความรู้นิดหน่อยอะไรเช่นนั้นสมควรแล้วเลืลอกที่ท่านจะเที่ยวคุยอวดว่าท่านเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นท่านสมณะผู้เจริญ ข้าพเจ้าก็เพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เองว่าตนมีความรู้ในเรื่องเวชศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้ารู้สึกละอายเหลือเกินว่าที่ได้คุยปโปกอวดไปมากต่อมากนั้นก็ด้วยอำนาจความหลงผิดที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษในโลกต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็จะไม่กระทำเช่นนั้นอีกว่าแล้วเขาก็ก้มลงกราบข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมดูก่อนเวชการคนโง่ เมื่อได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยย่อมเกิดความเห่อเหมในวิชาของตนเข้าใจว่าตนดีวิเศษแล้วเที่ยวคุยอวดผู้อื่นเที่ยวคมขู่ผู้อื่นเป็นคนเจ้าทิฐิมานะแข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครหารู้สึกตัวไม่ว่าตนกำลังอวดความโง่ของตนผู้ที่เป็นเช่นนั้นท่านเปรียบเสมือนกบเท่าเฝ้าหนองน้าเล็กๆไม่เคยเห็นแม่น้า ทะเลและมหาสมุทรสักทีก็เ ข, เข้าใจว่าหนองน้ําของตนใหญ่โตที่สุดในโลกเที่ยวคุยโวโ อ, อวดคนอื่นแต่เมื่อใดกบตัวนั้นได้โอกาสออกไปเห็นแม่น้ํามัมนก็จะรู้ความจริงว่าที่แท้หนองน้ําของมันเล็กนิดเดียวเท่านั้นยิ่งไปได้เห็นทะเลและมหาสมุทรหนองน้ําของมันยิ่งจะดูเล็กลงไปอีกจนไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะรู้สึกละอายใจ ที่เด็กเที่ยวคุยโอ้อวดหนองน้ำของตนมันจะกลายเป็นกบที่เสีเงียมเกียมตัวไม่หยิ่งยโสอีกต่อไป เวชการกบเท่าที่ได้ไปเห็นหน่านน้ำใหญ่ย่อมเห็นหนองน้ำของตนเล็กลงไปชั้นใดผู้ที่ท่านเรียนรู้มากๆย่อมเห็นว่าตัวรู้น้อยลงชั้นนั้นยิ่งเรียนรู้มากก็ดูเหมือนว่าตนรู้น้อยลงยิ่งโง่ลงเพราะสิ่งที่จะเรียนรู้มีมากเกินไปกว่าอายุและความสามารถทางปัญญาของคนไม่พอที่จะเรียนให้เกณฑ์จบทั้งหมดได้เพราะเหตุนั้น ท่านผู้มีความรู้มากจริงๆจึงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเคารพนับถือมีจิตใจกว้างขวางยอมรับว่าตนไม่รู้ในสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนและยอมรับผิดเมื่อตนพูดผิดทำผิดพูดที่เรียนรู้นิดๆหน่อยๆมักหลงไหลเห่เหมในความรู้นั้นเข้าใจว่าตนฉลาดที่สุดดีที่สุดในท่ามกลางฝูงชนเกิดทิฐิมานะถือตัวแข็งกระด้าง เข้าใจไปว่าทุกสิ่งที่ตนคิดพูดทําจะต้องถูกต้องเสมอแม้คนอื่นจะเห็นว่าผิดก็ยังยืนยันว่าตนถูกถ้าไม่มีทางสู้เขาได้จริงๆก็โยนความผิดให้คนอื่นคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าตนโง่ทั้งทั้งที่ทตนโง่พยายามปวดฉลาดทั้งๆั้ ท, ที่ไม่มีความฉลาดจึงเท่ากับเอาทองปลอมไปเที่ยวเล่ขายรับรองว่า ขายได้หนเดียวเท่านั้นภายหลังเมื่อเขารู้ความจริงแล้วก็จะไม่มีใครซื้อเลยท่านสมณะพูดเจริญเหตุผลของท่านคล้ายกับดวงประทีปอันสว่างสวัยที่รุ่โพงขึ้นในจิตใจอันมืดมัวและโมหะของข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเกิดความแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตอันสําคัญที่ไม่เคยรู้มาก่อนท่านได้ทําอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ผีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านแต่ถ้าท่านปรารถนาข้าพเจ้ายินดีจะถ่ายทอดศิลปศาสตร์ของหมอเท่าที่กับเจ้ารู้ทั้งหมดแก่ท่าน mm. เพื่อว่าท่านจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหากินกับชาวโรคต่อไป mm. ขอขอบใจในความปรารถนาดีของท่านแต่อัตมาไม่ปรารถนาจะเรียนวิชาเวชศาสตร์จากท่านดอกเพราะอัตมาเองก็เป็นหมออยู่แล้ว ชายแก่มองดูข้าพเจ้าอย่างประหลาดใจแล้วกล่าวว่าท่านขาเป็นหมอเหมือนกันหรือท่านมีความชำนาญในการรักษาโรคอะไรบ้างละ่ะอาตมาก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมอรักษาร่างกายเป็นหมอรักษาโรคใจผู้ใดไม่สบายใจมีความโกรธโกรธหลงอาตมารักษาให้หายได้ยาของอาตมาก็คือความรู้ความเข้าใจในความจริงคนป่วยใจ เมื่อได้อยารักษาคือความรู้จักอาตมาแล้วก็มีใจสะอาดสงบสุขเยือกเย็นปลอดโปร่งตลอดไปโรคายที่ท่านรักษาบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ทุกคนเป็นโรคใจทั่วกันฉะนั้นคนป่วยของอาตมาจึงมีเต็มโลกอาตมาตระเวนรักษาเขาเรื่อยมาท่านเป็นหมอที่ฉลาดที่สุดมีคนป่วยมากที่สุด ข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านคงจะได้ค่าจ้างรางวัลมากที่สุดด้วยนะสิถูกแล้วอัตมาได้รางวัลมากที่สุดแต่รางวัลของอัตมาก็คือความสุขใจที่ได้ทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แกแว้วแหวนเงินทองเพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขนิดหน่อยเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือคนอื่นให้ความสุขแก่อัตมาตลอดกาลใช่แก่ กราบข้าพเจ้าอย่างนอบน้อมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาจากไปข้าพเจ้ามองตามเขาไปจนลับตาพลังคิดภูมิใจที่ได้รักษาเขาให้หายจากโรคความหลงวิชาทําให้จิตใจของเขาที่มืดบัวมานานข้าพเจ้ายัางพักผ่อนอยู่ที่นั่นจนพอแก่ความต้องการแล้วก็สะพายบาตรออกเดินทางต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุก่อนคําวันนั้นเองข้าพเจ้าก็บรรลุถึงประตูเมืองราทยครื้ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างภูเขาเวภาระและเวปุละใกล้เชิงเขาเวปุลระภายนอกเมืองมีบ่อน้ําร้อนขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากใต้พื้นดินแล้วไหลผ่านช่องระหว่างเขาเข้าไปในเมืองชาวบ้านเรียกแม่น้ําขนาดเล็กนี้ว่าตโปตาณที ชาวเมืองพระราชฤๅษตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารลงมานิยมมาอาบสมสนานกายที่บอ่อน้ําร้อนแห่งนี้เพราะเหตุที่น้ําร้อนไหลออกมาจากใต้พื้นดินคนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าภายใต้บอ่อน้ําร้อนนั้นเป็นที่อยู่ของโลหะกุมพีนรกข้าพเจ้าวางบาทตรงไว้แล้วนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ระยะห่างๆพลางมองดูฝูงชนที่กําลังอาบน้ํากันอยู่อย่างสนุกสนาน ขณะที่กำลังนั่งเพลินอยู่นั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณเจคนหาบของพหลงุงตุงนังเข้ามานั่งพักอยู่กับกบเจ้าพอวางของไว้เรียบร้อยแล้วหกคนในจำนวนนั้นก็ผลัดผ้ากันลงอาบน้ำยังเหลืออยู่คนเดียวสำหรับเฝ้าของดูท่าทางเขาเป็นห่วงข้าวของของเขามากอุบาสกถ้าท่านปรารถนาจะอาบน้าก็จงไปเถิดอาตมาจะช่วยเฝ้าของไว้ให้ ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาด้วยความเอือเฟื้อเขามานั่งลงข้างหน้าข้าพเจ้าและยกมือไหว้ตอบว่าขอขอบคุณท่านมากแต่ข้าพเจ้ายัางจะไม่อาบน้ําเดี๋ยวนี้หรอกพวกท่านไปไหนกันมาลึกดูมีสิ่งของมากมายเหลือเกินพวกข้าพเจ้าเป็นพวกเล่นละครมาจากเมืองปาตลีบุตรเที่ยวล่อนเลแสดงละครหาเงินไปตามขามนิคมต่างๆท่านเหล่ามาจากไหน อาตมามาจากกรุงสาวัตถีนครหลวงของโกศลรัฐซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตกอาตมาก็เป็นพวกละครเหมือนกันเที่ยวแสดงละครเหมือนกันเที่ยวแสดงละครเร่ร่อนไปตามคมนิคมต่างๆจนถึงกลุ่มราชครืดในวันนี้ชายคนนั้นมองดูข้าพเจ้าอย่างสงสัยแล้วถามว่าท่านมาคนเดียวรึอหรือมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยข้าพเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่คนเดียว อาตมามาคนเดียวข้าพเจ้าตอบเข้าหัวเราะแล้วพูดว่าเอจถ้าอย่างนั้นคณะละครของท่านก็มีคนเดียวเท่านั้นล่ะสิท่านแสดงคนเดียวได้อย่างไรข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินละครของอาตมาอาจจะแตกต่างจากละครของท่านอยู่บ้างอาตมาขอถามหน่อยว่าวิธีการแสดงละครของท่านเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวิธีการของอาตมา ท่านสมณะนี่เห็นจะไม่เคยดูละครข้าพเจ้าจะแสดงให้ฟังเขากล่าวอย่างภูมิใจเมื่อจะแสดงละครที่ไหนพวกข้าพเจ้าก็จะช่วยกันปลูกโรงขึ้นเสียก่อนเอาผ้ามากั้นไว้กลางโรงแบ่งโรงออกเป็นสองตอนตอนหน้าสําหรับแสดงละครและตอนหลังก็สําหรับเป็นที่พักเมื่อปรึกษาตกลงกันว่าจะแสดงเรื่องอะไรแล้วก็มีการแต่งตัว แต่งตั้งกันเป็นกษัตริย์บ้างเป็นราชินีบ้างเป็นเสนาบ้างเป็นปุโรหิตอาจารย์บ้างเป็นแม่ทัพบ้างเป็นโจรบ้างตามรูปเรื่องต่อจากนั้นก็จะออกมาแสดงบนเวทีต่อหน้าฝูงชนตามบทบาทของตนถ้าอย่างนั้นละครของท่านก็เป็นเรื่องหลอกกันอย่างชัดๆเลยสิข้าพเจ้าขัดคอขึ้นกลางคันทําให้ชายคนนั้นมองข้าพเจ้าด้วยความไม่พอใจทันที อา้าวหลอกอะไรเขาถามก็หลอกอย่างนี้ไงล่ะคือเรื่องที่ท่านแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องกวีที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของเขาในเวลาแสดงบางทีท่านอาจจะได้รับสมมติว่าเป็นกษัตริย์แต่นั่นก็เป็นเพียงการหลอกเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงๆใครๆก็รู้บางทีอาจจะเป็นคนโกรธบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้าง แต่นั่นก็เป็นเพียงการแกล้งทำบางครั้งก็แสดงเป็นเกิดสึกสงครามแต่นั่นก็ไม่ใช่สงครามจริงๆใช่ไหมบางคราวท่านอาจจะทำเป็นถูกอาวุธตายแต่ก็หาได้ตายจริงไม่เพราะถ้าตายจริงท่านก็คงไม่มานั่งคุยกับอัตมาตยอยู่หน้าบัตรนี้ได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ละครหลอกหรอกหรชายนักเล่นละครนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ด้วยจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านหลอกประชาชนที่ดูก็หลงคือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆเช่นโศกเศร้าเสียใจบ้างโกรธแค้นริงชังบ้างสงสารเห็นใจบ้างเกิดความขำขันหัวเราะบ้างแล้วแต่รูปเรื่องที่ท่านแสดงแต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเท่านั้นเอง ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านเขากล่าวขึ้นหลังจากที่นิ่งอยู่นานแต่ก็เป็นของแปลกเหมือนกันนะท่านสมณะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าละครของข้าพเจ้าเป็นของหลอกนี่แหละประชาชนก็ชอบดูกันเหลือกเกินนั่นเป็นความจริงเพราะคนโง่ย่อมจะชอบของหลอกอัตมาจะพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าคนเราชอบหลอกอย่างไรพอดีเวลานั้นมีชายแก่คนหนึ่งอายุ ป, ประมาณหกสิปี เดินผ่านมาเขาไปเจ้าได้เรียกให้เขามานั่งพักใต้ต้นไม้แล้วก็สนทนาไต่ถามเรื่องต่างๆดูก่อนอุบาสกท่านอายุเท่าไหร่แล้วอายุของเขาไปเจ้าก็หกสิปีแล้วทับทันสมณนะชายแก่ตอบอัตมาแทบจะไม่เชื่อเลยว่าท่านอายุถึงหกสิบเพราะดูท่าทางท่านยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่มากถ้าให้อัตมาทายอัตมาจะทายว่า อายุเราสี่สิบปีเป็นอย่างมากพอข้าพเจ้ากล่าวจบเท่านั้นชายแก่ก็ยิ้มด้วยความดีใจพลางก้มลงมองดูตามสรีระรูปอันสุดสมของตนเขาเจรจากับข้าพเจ้าด้วยความร่าเริงยิ่งกว่าเดิมในตอนสุดท้ายอย่างนิมนต์ให้ข้าพเจ้าไปชั้นพระตหารในบ้านของเขาอีกเห็นไหมล่ะอุบาสกข้าพเจ้ากล่าวกับชายนักแสดงละคร เมื่อชายแก่คนนั้นกลับไปแล้วชายแก่คนนั้นอายุตั้งห0สิปีแล้วสังขารร่างกายของเขาทรุดโทรมลงไปมากแล้วทุกส่วนเขาเองก็รู้ตัวดีแต่พออัตมาหลอกเขาว่าเขายังหนุ่มเท่านั้นก็แสดงอาการว่าพ่ออกพอใจอย่างออกนอกหน้านี่แสดงว่าคนโง่ย่อมจะชอบของหลอกแล้วละครของท่านละ่ะท่านสมณนะท่านมีวิธีการแสดงอย่างไรเก ละครของอัตมาเป็นละครจริงแสดงของจริงทําให้คนฟังได้ทราบความจริงเกิดปัญญาและความคิดใหม่ที่จะไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและคนอื่นเมื่อไปแสดงที่ไหนไม่จําเป็นต้องสร้างเวทีเพราะอัตมาใช้เวทีจริงโลกนี้ทั้งโลกคือเวทีละครของอัตมาบางครั้งมีคนฟังเพียงคนเดียวแต่บางครั้งก็มีมาก อัตมาแสดงละครโดยการอธิบายปัญหาชีวิตต่างๆให้เขาฟังบรรเทาความโศกของผู้ที่กำลังโศกบรรเทาความโกรธของผู้ที่กำลังโกรธบรรเทาความหลงของผู้ที่กำลังหลงบรรเทาความชั่วของผู้ที่กำลังชั่วส่งเสริมความดีของผู้กำลังทำดีผู้ฟังละครของอัตมาล้วนแล้วแต่ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทุกคน ละครของท่านแปลกมากชายคนนั้นกล่าวอย่างใช้ความคิดไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องสร้างเวทีแล้วท่านคิดเอาค่าจ้างจากคนดูอย่างไรอัตมาไม่ได้เรียกร้องเอาค่าจ้างเป็นเงินทองหรือวัตถุใดๆเพราะเงินทองได้มาแล้วก็ใช้หมดไปผลตอบแทนที่อัตมาได้รับคือความสุขใจที่ตนได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นความชุ่มชื่นเบิกบานใจ อย่างที่จะหาจากเงินทองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผู้แสดงละครอย่างของท่านได้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริงหระอสิแน่นอนทีเดียวผู้ที่ยังเห็นแก่ตัวหรือพวกพร่องของตัวย่อมแสดงละครแบบนี้ไม่ได้ต้องมีใจกว้างกล้าหาญและมีเมตตากรุณาประจำใจอยู่เสมอต้องคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองแต่เมื่อความทุกข์ยาก ลำบากเกิดขึ้นจะต้องให้ตนได้รับก่อนคนอื่นขณะที่เราทั้งสองสนทนากันอยู่นั้นคณะละครทั้งอกคนที่ไปอาบน้ํากลับมาแล้ว mm hmm. ก็มาบอกให้ผู้สนทนาของข้าพเจ้าไปอาบน้ําแต่ก็บอกว่าเออไม่อาบละ ว, วันนี้กําลังสนทนากับท่านสมณะสนุกดีพวกเรามาร่วมสนทนากันด้วยสิจะได้ความรู้ดีๆนะท่านสมณะ ถ้าสมมุติว่าคนในมคตรัฐนี้เป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตัวเองยอมสละประโยชน์สุขส่วนตนแก่คนอื่นยอมรับความทุกข์ยากลําบากแทนผู้อื่นอย่างท่านละบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรความสงบสุขจะแผ่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั้นประชาชนจะครองชีวิตอยู่อย่างสันติสุขอย่างแท้จริงอ๋อแล้วบ้านเมืองอย่างที่ว่านี้มีอยู่หรือว่าเป็นแต่ในฝันเท่านั้น ถ้ามีอยู่อยู่ที่ไหนล่ะมีสิอุบาสกเมืองที่ว่านี้ชื่อสันตินครอยู่ในหิ ม, มวันตประเทศเป็นนครเล็กๆมีประชาชนไม่มากนักแต่มีกษัตริย์ปกครองอย่างนครทั้งหลายสันตินครตั้งอยู่ในหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามจากการตาพระราชาผู้ครองนครทรงตั้งอยู่ในทศพิ ราชาจะทำอย่างเคร่งครัดทรงถือไพ่ฟ้าฆ่าแผ่นดินทุกคนเป็นเสมือนกับบุตรธิดาของพระองค์เองราชบุตรผู้ทําราชการต่างพระเนตรพระกันก็ทํางานเต็มตามหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ชอบราชบังหลวงประชาชนทุกชั้นตั้งหน้าประกอบอาชีพของตนด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความสุจริตในนครนี้ไม่มีจนผู้ร้าย ไม่มีคดีขึ้นศาลไม่มีเรือนจำเพราะไม่มีนักโทษไม่มีการทำร้ายเบียดเบียนกันโดยประกันใดๆทั้งหมดทุกคนได้รับการอบรมให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรักกันเหมือนพี่น้องช่วยกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติขึ้นชื่อว่าเป็นของสาธารณะเพื่อส่วนรวมแล้วเขาช่วยกันรักษาด้วยความระมัดระวัง ยิ่งกว่าของตนสิอีกอุบาสกเอ๋ยถ้าจะพรรณนาความดีของนครนี้วันนี้ก็คงจะไม่พอแน่โอ้น่าอัศจรรย์จริงนักแสดงละครทั้งเจ็ดอุทานออกมาเกือบจะพร้อมกันข้าพเจ้าอยากจะไปอยู่นครสันตินครเหลือเกินท่านสมณนะคนหนึ่งกล่าวออกมาอย่างเอาจริงท่านกรุณาบอกค้นทางแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีคนแถบนี้ ไปเป็นอันมากเคยไปอยู่ในนคร น, นั้นแต่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ต้องหนีกลับมาเองบ้างชาวบ้านขับไล่ให้หนีมาบ้างอ้าวเพราะเหตุอะไรลึกเพราะคนทางนี้ไม่ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพของนคร น, นั้นเมื่ออยู่ทางนี้เคยประพฤติอย่างไรเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ประพฤติอย่างเดิมเขานาเอาความเห็นแก่ตัวความละโมบเล่เหลี่ยมกลนโกง และนิสัยชั่วอื่นๆไปด้วยในที่สุดจึงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าท่านอยากไปอยู่ที่สันตินครนั้นก่อนอื่นต้องปรับปรุงตัวเองเสียก่อนท่านจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปอยากสันดานอย่าไปสร้างความสุขให้แก่ตนโดยก่อความทุกข์เรือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าท่านทำได้ดังนี้หรือถ้าทุกคนทำได้ดังนี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่สันตินคร าทุกบ้านทุกเมืองจะกลายเป็นสันตินครไปหมดข้าพเจ้าเทศนาสั่งสอนพวกเขาจนค่ำยังเขาให้เกิดอุตสาหะในสัมมาปฏิบัติแล้วก็ลงไปอาบน้ำในตะโปตา น, นาทีพร้อมกับที่พวกละครเข้าไปในเมืองขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าพักอยู่ใต้ร่มไม้ริมฝั่งตะโปตา น, นาทีนั่นเองแม้บรรยากาศจะเงียบหนาวหนาวเย็นแต่ใจของข้าพเจ้า ก็อบอุ่นด้วยความสุขที่ได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นดูก่อนท่านผู้มีอายุในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อประตูเมืองเปิด ข้าพเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชกฤห์เมื่อได้อาหารพอเลี้ยงขีพให้เป็นไปในวันนั้นแล้วก็ออกไปฉันที่เวรุวัรณารามอันเป็นอุทยานไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารกระสัตว์แห่งมคตรัตนเสด็จไปประทานเหยือ่อแก่กระแตเวรุวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมยิ่งกว่าอารามอื่นที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบมาพื้นข้างล่าง ได้รับการปัดกวาดให้เตียนเรื่อนอยู่เสมอข้างบนปกคลุมไปด้วยไม้ไผ่อันหนาแน่นเป็นหลังคาธรรมชาติทำให้บรรยากาศข้างล่างเย็นสบายอยู่ตลอดการพระภิกษุสามเณรในพระอารามก็มีจำนวนเล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่ได้ออกเที่ยวจาริกไปในทิศ ต, ต่างๆจึงมีกุฏิว่างอยู่มากมายหลังจากมอบตัวแก่พระมหาเถระผู้เป็นประธานแล้วข้าพเจ้า ก็ยึดอากุติหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าไผ่เป็นที่พักและตั้งใจว่าหลังจากเดินทางท่องเที่ยวมานานก็จะพักผ่อนบำเพ็ญจิตใจเสียบ้างต่อมาไม่นานพระมหาเถระเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่สมควรจะปกครองพระภิกษุสามเณรแทนได้จึงมอบการปกครองพระอารามให้ข้าพเจ้าและท่านเองก็อำลาเที่ยวจาลิกไป เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วข้าพเจ้าก็ตั้งใจบริหารงานด้วยดีสืบมาในการปกครองผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงาข้าพเจ้าได้วางเมตตากรุณาและความยุติธรรมไว้เป็นพื้นฐานของใจถือความถูกต้องเป็นหลักยกย่องผู้ควรแก่การยกย่องตำหนิผู้ควรแก่การตำหนิไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายนั้นออกฝ่ายนี้เพราะรักเพราะชังเพราะกลัวหรือเพราะโงขข่เขลา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าผู้น้อยภายใต้ปกครองของข้าพเจ้ามีอยู่สองประเภทประเภทแรกเป็นผู้มีความสามารถพยายามเอาดีด้วยการงานประเภทที่สองเป็นผู้หย่อนความสามารถพยายามเอาดีด้วยการประจบประแจงคนทั้งสองพวกนี้มักจะเป็นศัตรูกันผู้ใหญ่ที่อ่อนแอมักจะเอ็นเอียงเข้าข้างพวกประจบประแจงเบืเฉยต่อพวกทาการงาน ทำให้พวกทำการงานหมดกำลังใจในการทำงานเมื่อเป็นเช่นนี้สามาัคคีธรรมก็สลายไปคณะก็เสื่อมโทรมผู้ใหญ่เปรียบเสมือนหลักผู้น้อยเปรียบเสมือนวัวหลายตัวที่ผูกไว้กับหลักถ้าหลักไม่มั่นคงแข็งแรงวัวก็จะดึงจนล้มเมื่อหลักล้มวัวก็แตกกระจายหลักก็คือผู้ใหญ่จะต้องมั่นคง อาศัยความยุติธรรมเป็นสาคัญถือผลงานเป็นหลักพิจารณาความชอบไม่ใช่ความประจบประแจงดูก่อนท่านผู้มีอายุผู้ใหญ่ที่ขาดเมตตาเป็นพื้นฐานของใจมักจะโหดร้ายทารุณต่อผู้น้อยใช้การดุด่าเคี้ยนตีเป็นเครื่องมือเข้มงวดกดขันจนเกินไปทำให้ผู้น้อยกลัวยิ่งกว่าเคารพในความกลัวนั้นมีความเกียดชังซ่อนอยู่ด้วย ผู้น้อยจะทําตามเฉพาะต่อนหน้ารับหลังเขาก็จะนินทาถ้าหนีไปหรือตายไปเขาก็จะอนุโมทนาสาธุการผู้ใหญ่ขาดความกรุณาเป็นพื้นฐานของใจมักจะเป็นคนตรีได้ปัจจัยลาบอะไรมาก็จะเก็บสะสมไว้เฉพาะตัวไม่เฉลี่ยแบ่งปันผู้ใหญ่เช่นนี้ไม่อาจจะปลูกความรักขึ้นมาในจิตใจของผู้น้อยได้ผู้ใหญ่ที่ขาดมุทิตาเป็นพื้นฐานของใจ มักจะเป็นคนลิสยาไม่ส่งเสริมความดีของผู้น้อยกลัวจะดีเกินหน้าตนหาทางทำลายตัดรอนเมื่อผู้น้อยได้ดีผู้ใหญ่เช่นนี้ชื่อว่าขัดขวางความเจริญของผู้น้อยผู้ใหญ่ที่ขาดอุเบกขาเป็นพื้นฐานของใจมักจะเป็นคนอ่อนแอปรดปลานเฉพาะผู้น้อยที่รูปสวยมีอามิตรจะให้ตนมากๆ หรือมีอิทธิพลด้านอื่นๆประจบเก่งแม้พวกนี้จะทำความผิดก็เหมือนเสียถ้าทำดีเพียงนิดหน่อยก็เชิดชูเลิศลอยผู้ใหญ่เช่นนี้เปรียบเสมือนหลักที่ปักอยู่บนกองทรายดูก่อนท่านผู้มีอายุในการบริหารหมู่คณะแทงพระมหาเถระข้าพเจ้าพยายาม ต, ตั้งตนไว้ในเมตตารักใคร่ผู้น้อยเหมือนลูกหลาน การุณาสงสารสงเคราะห์ด้วยปจัจใหญ่ลาบตามมีตามเกิดมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนเมื่อผู้น้อยได้ดีอุเบกขาวางตนเป็นกลางอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักผู้น้อยจึงเคารพทั้งต่อหน้าและรับหลังปฏิบัติตามโอวาทของข้าพเจ้าด้วยความเต็มใจสามัคคีกลมเกลียวกันดียังการงานให้สําเร็จลุล่วงไปยัง เรียบร้อยตลอดมาในวันธรรมสวรรค์ข้าพเจ้าต้องแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทแทนพระเถระอาศัยตนเป็นผู้รอบรู้ในธรรมะและเข้าใจในวิธีเทศนาอยู่บ้างจึงมีประชาชนนิยมชมชอบในเทศนาของข้าพเจ้ามากจํานวนพุทธบริษัทที่มาฟังเทศเพิ่มมากขึ้นทุกวันในไม่ช้าเกียรติคุณของข้าพเจ้าก็ระบือกระชอนไปทั่วกรุงราชคฤห์ เมื่อชื่อเสียงปรากฏลาบยศก็ติดตามมาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นเริ่มหลั่งไหลมาอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็หาได้หลงไหลมัวเมาอยู่กับวัตถุธาตุเหล่านั้นไม่เก็บเอาไว้แต่พอฉันเพียงอิ่มเดียวในหนึ่งวันแล้วก็แจกจ่ายแก่พระภิกษุสามเณรทั่วไปข้าพเจ้าถือหลักว่าก็พอให้ชีวิตอยู่และเป็นอยู่เพื่อทาดีเท่านั้น วันคืนผ่านไปตามหน้าที่ของมันข้าพเจ้ายัางพักอยู่ที่วัดเวรุวันวิหารด้วยความผาสุกสาราญทั้งกายและใจสถานที่อากาศและผู้คนแห่งพระเวรุวันเป็นที่ถูกอัตยาศัยของข้าพเจ้าเหลือกเกินข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะอยู่ในเวรุวันอีกต่อไปให้นานเท่าที่จะนานได้บางทีอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ แต่แล้วเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าต้องจากพระเวรุวันไปอีกเป็นอันว่าฉากระเหเร่ร่อนบนเวทีละครแห่งชีวิตของข้าพเจ้ายัางไม่ปิดลงขอท่านผู้มีอายุโปรดคอยฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้น